65จะตาริอกรณียะว่าด้วยอกรณียกิจ4เรื่องทิ้งภิกษุบวชใหม่ไว้ตามลําพังข้อหนึสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ให้ภิกษุรูปหนึ่งอุปสมบทแล้วทิ้งไว้ตามลําพังหลีกไปภิกษุรูปนั้นเดินทางมาทีหลังเพียงรูปเดียวได้พบภรรยากเก่าระหว่างทางนางได้ถามว่าเวลานี้ท่านบรรพชาแล้วหรือ ภิกษุรูปนั้นตอบว่าจะชันบรรพชาแล้วนางจึงพูดชวนว่าเมทุนธรรมสําหรับพวกบรรพชิตหาได้ยากขอท่านมาเสพเมทุนธรรมกันเถิดภิกษุรูปนั้นได้เสภเมทุนธรรมกับพระยาเก่าแล้วจึงมาถึงล่าช้าภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทําไมท่านจึงมาถึงช้าเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นได้บอกเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ